พกเราก็มามากันแบบสบายสบายเนาะสี่ห้าวันก็ <c oughs> มีใครไม่เคยปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนมัง้งมีไหมมีใครไหม <c oughs> ไม่มีเนาะไม่มีก็ <c oughs> ดีมากมากเนาะก็ถือว่ารู้จักรู้จัก อะไรนะก็เรียกว่าการปฏิบัติแบบลงว่าเทียนกันทุกคนหลวงพ่อก็ไม่รู้จักการปฏิบัติวิธีอื่นนะเ <laughs> พราะเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่จะเจอหลวงพ่อกำเขียนนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ใครที่ไหนเลยอ ย, เ อ, อย่างนี้นะอย่างนั้นก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่เหมือนกับ มันก็ดีอย่างหนึ่งไม่ดีอย่างหนึ่งที่ไม่ดีก็คื อ, อยังไงก็คือมันเหมือนกับใใคล้ายๆว่าความที่เราก็เหมือนกับมันคนับถือพุทธเนาะแต่เราไม่รู้ว่าคำว่านับถือเนี่ยมันต้องทำแบบไหนยังไงก็เหมือนกับนับถือพุทธเราก็เข้าวัดเนาะ แล้วก็ทําบุญเนาะเราก็ตักบาตรเนาะเราก็ทําแบบนั้นนะล้วก็นึกว่าพอแล้วอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้ น, น, นถึงอายุใช่ไหมถึงอายุยี่สิบห้าก็ไปบวชนะบวชกับหลวงพ่อปัญญาเนาะบวชอยู่ที่วัดชนประทานสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ตอนนั้นพระชนประทานก็อย่างอย่างแบบว่าอย่าง ยังไม่ไม่ไม่ใช่มีภาพนี้นะภาพนี้น่าจะเป็นการปรับครั้งที่สี่หลังจากที่หลวงพ่อไปบวชตอนนั้นก็ยัง โ, ง, โ ง, โงโล่งๆกุฏิของหลวงพ่อปัญญาก็ยังเ ป, เป็นกุฏิไม้เป็นกุฏิไม้นูน่นเนาะตั้งแต่พศตั้งไรสองห้าสองศูนย์ยาวนานมากก็บวชคร่านั้นก็ นำบันศึกเนาะก็ก็ไม่ถึงกับนัำบันศึกทีเดียวนะแต่ก็เหมือนกับคล้ายๆว่าอืมมันก็ไม่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรทำเท่าไหร่นะก็มีพระที่บวชพร้อมด้กันก็สามรูปนะสามรูปแล้วก็ กิจวัตรประจำวันก็ไม่มีอะไรก็คือตื่นเช้าขึ้นมาทำาวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็ตังกวันก็ก็มีพระพี่เลี้ยงอยู่รูปหนึ่งเนาะที่ท่านก็จะเหมือนกับว่าให้ให้โอกาสเราเหมือนกับไปพูดคุยซักถามอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อย่างเงี้ยซึ่งก็กนะนะ็หมดวันไปแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งถึงถึงวันศึกเราก็ ก็ได้กราบลวงพ่อปัญญายอีกครั้งหนึ่งมันฑศึกกราบลาท่านเนาะท่านก็พอึกให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ถามว่าได้อะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยเนนะาได้เนาะว่าท่านก็สอนเอาไวตตต้ตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนบวชตอนที่อยู่ในโบสถ์นะท่านก็ให้โอว่าจําได้ว่าก็ ให้มีสติครับก็จําได้แบบนี้แล้วก็ตอบท่านแบบนี้นะให้มีสติครับแต่ว่าวันนั้นถ้ามันเป็นศัพท์มากเลยนะคําว่าสตินี่มันเป็นสอเสือต่อต่อสลายอ่ะนะเป็นสติมันไม่มันไม่มันมันไม่เกี่ยวอะไรกับกับการปฏิบัติอะไรทั้งสิ้นเลยนะอย่างนี้อย่างนั้นก็ก็ ก็ได้อย่างนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไปทําบุญไปอะไรต่างๆ่นานานาเนื่องจากวัดชนประธานอยู่ใกล้บ้านก็ไปครั้งหนึ่งก็ไปทั้งครอบครัวอย่างนี้เราก็จะมีวันที่เหมือนกับวันสําคัญก็คือปีหนึ่งก็นัดรวมพี่น้องเนาะทุกคนนะก็ไปทําบุญกันที่ลานหินโคง้งทําบุญเสร็จก็กลับ เนี่ยก็ทําอยู่นะไม่ขาดนะแต่นั่นคือเราก็ไม่ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ถึงวันที่เหมือนกับวันที่มีโอกาสได้ได้เจอหลวงพ่อจริงๆนี่คือเป็นวันที่วันนั้นนะ่ะก็ตั้งใจนะเหมือนกับว่าตั้งใจว่าบอกเพื่อนบอกว่าพาไปหาพระดีๆสักลูกก็ไม่ทราบนะ ว่าว่าเพื่อนจะพามาพามาหลุมพ่อเขียนตอนนั้นนี่รู้จักกับพระยันเปย์สารแล้วเนาะอย่างเนี้ยรู้จักกับพระยานเปย์สารแล้วแล้วก็ อ, อืตอนนั้นนี่น่าจะยังไม่ไม่เคยไม่เคยน่าจะหลวมพ่อเทียนนี้อาจจะยังไม่เคยได้ยนินแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็เหมือนกับ ได้ยินหรือว่าไม่งั้นก็อาจจะอันนี้ก็มันก็นานแล้วเนาะตั้งแต่ปีนู้น2535ก็นานมากแล้วความจำก็เลื่อนๆก็อาจจะได้ไปวัดสนามไหนสักครั้งหนึ่งตอนนั้นเขามีมอบคุณอะไรนำสกุลสุจินดาเนาะที่เป็นเคยเป็นนายกเนาะใช่ไหม มีอะไรสักคนหนึ่งจําไม่ได้แล้ะชื่อสุจินดาเนี่ยตอนนั้นเขาก็มีมอบที่ที่ที่รันดําเนินสนามหลวงกันแล้วก็จําได้ว่าก็ไปเหมือนกับว่าเข้าไปพักที่มสัสยิดในเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกับคล้ายๆว่าพวกพวกคนรุ่นคนรุ่นใหม่ละ <c oughs> คนรุ่นใหม่ก็ก็จะเข้าไปตรงนั้นกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เข้าไป เหมือนกับว่าไปหลบแดดหลบหน้าสิวหน้าขวานหน่อยหนึ่งที่วัดวัดสนามในแล้ววันนั้นก็คือพอมาเจอหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยพอบ้าพอบอกถามหาพระดีๆมาเจอหลวงพ่อคำเขียนครั้งแรกนี่ก็พอเจอท่านปุ๊บนี่ก็เหมือนกับพอกราบท่านแล้วก็ในใจก็แบบเหมือนกับในใจก็เหมือนกับว่านึก นับถือท่านอยู่ในใจเยอะๆนะเพราะว่าความที่ท่านก็มีมีเมตตาเนาะมีเมตตาที่มันมันมันอยู่อยู่รอบตัวท่านอย่างเยอะๆอย่างนั้นแล้วพอท่านพูดเนี่ยท่านพูดกับเราเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าแบบว่าโอ้นึกอยู่ในใจว่าพระพระหลวงพ่อรูปนี้ท่านนับถือมากๆแต่ท่านที่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะ ก็คือท่านก็ถามเราบอกว่าจะมาทําอะไรแต่ว่าด้วยน้ําเสียงที่ท่านถามเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกรู้สึกสบายใจสบายใจแล้วก็รู้สึกท่านก็มีที่เรียกว่ามีเมตตากับเราอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนั้นก็เหมือนกับพอท่านได้แนะนำแล้วพูดไม่มากนิดๆหน่อยๆ อ, อย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าคำพูดของท่านก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราอยู่กับความหลงอย่างซึ่งนั่นคือเป็นเรื่องที่แบบท่านท่านใช้คำพูดนิดเดียวท่านั้นเองเพราะว่าท่านก็เคยผ่านความหลงแบบนี้มาก่อนอย่างเงี้ย น, นะก็คือหลงคาว่าหลงก็คือใจเนะี่ยมันไปเกินคนละทางแล้วก็หลงคิดหลงปรุงแต่งต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ย น, นะ ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่พอท่านพูดเราก็นึกถึงยิ่งก็เรียกว่างานที่งานที่หลวงพ่อทำอยู่ก็จะเป็นงานที่เรียกว่างานที่เป็นงานออกแบบนะเรื่องความสวยงามอย่างเงี้ยนะมันก็เต็มเต็มเลยนะเต็มเต็ม <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> นึนกวโอ้เราอยู่กับมีชีวิตอยู่กับการปรุงแต่งเนาะอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่นึกในใจว่ายังไงก็ต้องเหมือนกับว่าอยากจะได้มาบวชกับหลวงพ่ออย่างเงี้ยนะอย่างนั้นแต่ว่าหลังจากที่เจอหลวงพ่อไป น, นั้นก็สิบปีถักมาก็ได้เจอหลวงพ่อไม่ไม่ใช่ได้เจอล้มันก็เจอหลวงพ่อระหว่างนั้นต่างๆห้ า, าปีผ่านไปเนี่ยจําได้ว่ากลับเรียนพระอาจารย์เพชรสารบอกว่า พระอาจารย์เปรสังครับผมอยากบวชครับอย่างเงี้ยพระอาจารย์เปราสังบอุ้ยพระมีเยอะแล้วนะโยมที่ช่วยวัดไม่มีอยู่ช่วยวัดไปก่อนแล้วกันก <c oughs> ็เลยได้อยู่ไปอีกสักห้าปีแล้วก็เลยได้มีโอกาสบวชนะ <c oughs> ตอนที่บวชนี่หลวงพ่อก่อนก่อนก่อนบวชก็ ได้มีโอกาสขับรถไปพาหลวงพ่อไปต่างจังหวัดแล้วก็นั่งนั่งรถอยู่ด้วยกันยาวเนาะเป็นเจดปดชั่วโมงยงก็ตอนนั้นหลวงพ่อก็รู้ละว่าจะบวชอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในบทสนทนาก็มีคำคำพูดอยู่คำหนึ่งหลวงพ่อก็ถามว่าจะบวชตั้งใจจะบวชนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็กลับเลยหลวงพ่อว่าก็จะบวชไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย พอเราบอกว่าจะบวชไปเรื่อยๆหลวงพ่อเขียนท่านก็บอกบอกว่าหลวงพ่อก็เมื่อก่อนหลวงพ่อก็นึกจะบวชเพราะว่าเห็นเนาะเห็นพระท่านทําผิดศีลนะพระท่าน <laughs> จับปลาในบอ่อ <laughs> บอกแท่านก็นึกอยู่ในใจว่าถ้าเราเป็นพระเนี่ยเราจะขอเป็นพระดีท่านท่านก็ท่านก็บอกอย่างนี้นะพอพอท่านพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ในใจของเราเราก็นึกนึกเทียบเนาะคำว่าบวชไปเรื่อยๆก็เป็นพระดีเนี่ยมันเป้าหมายมันคนละอย่างกันเลยนะคือคําว่าเรื่อยๆมันไม่มีวิธีการปฏิบัติเนาะแต่คําว่าเป็นพระดีเนี่ยมันมีวิธีการปฏิบัติอยู่ในนั้นนี่คือสิ่งที่เด่นเนาะเด่นของหลวงพ่อคมเขียนหลวงพ่อเทียนก็คือท่านจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความรู้เนาะเท่าไหร่ หรืออาจจะน้อยที่สุดะแต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดนะก็คือก็คือการบอกให้เราทํำยังไงตรงเนี้ยคือการสอนให้ทําเนาะอย่างนั้นหลวงพ่อก็พูดอยู่เสมอๆนะนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดให้ฟังนะหลวงพ่อพูดให้ทํานี่ก็คือสิ่งที่เป็นคําสอนเนาะเป็นคําสอนที่หลวงพ่อเขียนท่านย้ําอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ ตั้งแต่คำแรกเนะเปิดปากขึ้นมาจนกระทั่งถึงคำสุดท้ายก็มันก็จะเป็นเรื่องของการชี้นำวิธีการปฏิบัติทั้งหมดอนยะ่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเขียนท่านก็ไม่ได้เพียงแค่พูดเนาะแต่ว่าการกระทำของท่านเองก็สอนเนาะสอนให้เราได้เหมือนกับว่าได้ทำตามอยู่ตลอดเพราะว่ า, วาการทำของท่านก็เป็นเป็นการกระทำที่เราก็ดูว่ามันเป็นความงดงามเนาะ แะยิ่งเหมือนกับพอบวชเป็นพระเนี่ยมันเหมือนกับมันมีเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยเยอะเพราะนั้นไอ้ที่เวลาที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยส่วนใหญ่อะมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เหมือนกับก็ดูท่านทำอะไรยังไงก็เราก็ทำตามนั้นท่านทำอะไรยงไงเราก็ทำตามนั้นซึ่งตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่เหมือนกับเป็นการเป็นการเรียนรู้จากท่านผ่านการทำเนาะแต่ว่าทำนองเดียวกันเนี่ย คือเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยผลของการกระทำมันนั้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่ในใจเราก็เรียกว่ามันงดงามเนาะคำว่า ง, งดงามในที่นี้เนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันดูแบบเรียบเรียง่ายๆเนาะแล้วมันก็ดูเป็นเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีเาเรียกว่าความเดือดเนื้อลอนใจตามมาในภายหลัง เมื่อไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจตามมาในภายหลังตอนนั้นมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นความไม่ทุกข์อยู่ตรงนั้นนะอย่างนี้นั่นนี่คือมันเป็นเรื่องที่หลวงพ่อเกียณท่านก็ได้พูดเอาไว้อยู่เสมอๆนะว่าสิ่งที่ท่านสนใจเนี่ยคือทำยังไงให้ไม่ทุกข์เนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านก็บอกนะบอกว่าเอาแค่ไม่ทุกข์เนี่ยพอละละอย่างเงี้ยนั่นนั่คือบางที เราเหมือนกับเคยได้ยินได้ฟังศับทางธรรมอื่นๆเนี่ยที่เป็นศัพท์ทางธรรม ท, ท, ที่ทีม่มันไม่รู้เป็นยังไงเนาะอย่างยะนะ <c ười> คือมันเราดูไม่ออกบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอในสายของหลวงพ่เทียนหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยคือศัพท์ของท่านเนี่ยมันจะเป็นศัพท์ที่เขาเรียกว่าใช้ความรู้สึกเนี่ย ใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยวัดได้เลยอเียนะวัดได้เลยเมื่อนั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านพูดอยู่เสมอๆเนี่ยก็คือเวลาที่เราหัดกันเนานะอย่าไปอย่าไปสนใจกับกับเรื่องอรูปแบบมากให้ตรงก็จะสู่ความรู้สึกตัวนี่คือสิ่งที่ท่านพูดพูดกับเด็กก็พูดนะพูดกับนักปฏิบัติปกติก็พูดพูดกับ คนป่วยก็พูดแบบนี้นั่นนี่คือตรงเนี้ยทั้งหมดนะก็เป็นความรู้สึกตัวแล้วก็เราก็ในช่วงเวลาที่หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อคำเขียนมาอยู่ใกล้ท่านมาตลอดเนี่ยคําว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บจะไม่ตายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็เคยได้ยินเนาะแต่ก็มาเห็นน่ยมาเห็นมาเห็นกับหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยเพราะว่านี่คือ ในในคำเทศในคำพูดอะไรเราก็เคยได้ยินอยู่นะแต่คำาว่ไม่เกิดของหลวงพ่อเนี่ยอันนี้อันนี้ที่หลวงพ่อมองเห็นนะที่หลวงพ่อตีความเนี่ยก็คือมันไม่มีเรื่องอะไรในชีวิตที่มันเกิดเรื่องเกิดเลยไปหรือว่ามันเกิดเรื่องจากความหลงของเราอะใช่ไมอันนี้อันนี้หลวงพ่อเวลาที่เห็นหลวงพ่อเขียนนะบางทีเราก็คิดไปล่วงหน้าในสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ อยู่ต่อหน้าอยา allora. อา่างเงี้ยนะมีโจทย์อย่างนี้เราก็คิดอยู่ในใจว่าเราจะทํำยังไงกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะทนํานองเดียวกันหลวงพ่อมเขียนท่านเวลาที่ท่านเจอเรื่องเดียวกันอยาน่างเงี้ยบางทีเรื่องก็มาเจอมาเจอท่านไม่ได้เจอเรานะแต่เหมือนกับว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันเนะี่ยต่อหน้าเรื่องเดียวกันเนะี่ยเราก็จะคิดอย่างหนึง่งหลวงพ่อมเขียนท่านก็จะมีความคิดที่ท่านก็พูดไปกับโยมอ ย, like อย่างเงี้ยนะอย่างวันหนึ่ง ก็มีมีนักปฏิบัติผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับหลดลานก็มากราบหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็บอกบอกว่าหลวงพ่อช่วยหนูทีหนึ่งสามีเขาว่าหนูบ้าเขาจะมาเอาหนูกลับบ้านเขาว่าบ้าม า, มาบ้ามาปฏิบัติทำอะไรอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างงั้ น, นะ น, นก็พูดเสร็จเท่านี้เองเนี่ยก็มี มีรถมาจอดแล้วก็มีมีคนกับรถเป็นผู้ชายเปิดประตูลงมาแล้วก็ประตูหลงังก็มีเด็กผู้หญิงเปิดลงมาอย่างเงี้ยพอเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องมีความคิดแล้วเอี่ยเราจะพูดอะไรถึงดีเพราะว่าใช่ไหมมี มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดอย่างนี้อยู่ข้างหน้าแต่เขาก็ไม่ได้มาพูดก่นว่าเขาพูดก่นอนว่ามันเขียนนั่นแล้นะแต่ว่าเราก็เราก็คิดไปอย่างเงี้ยนะพอพอผู้ชายเขาเดินคล้อยผ่านหน้ารถมานิดหนึ่งพอที่จะได้ยินเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละคุณสุพรเนี่ยประมาณขนาดเนี้ยเนี่แหละประมาณประมาณขนาดเนี้ยหลวงพ่อเขียนท่างก็พูดบอกว่าโอ้บ oh, ้านี้นี่ดีมากๆเลยนะแบบว่าเข้าวัดกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูก <laughs> ถามว่าท่านเตรียมตัวมาก่อนไหมเนี่ยที่จะต้องพูดแบบนี้ไม่ได้เตรียมนี่มันคือเป็นปัจจุบันมากๆแนละ้วแต่ว่าคือสิ่งที่สิ่งที่พูดคำพูดของท่านเนี่ยเรื่องนี้จบเลยลนะจนว่ามันไม่เกิดอะไรต่อไปเลยจบไปเลย <laughs> คุณผู้ชายคนนั้นจะมาเอาภรรยากลับบ้านหรืออะไรยังไงต่างๆนานาอย่างเมื่อกี้อะไรก็จบไปเลยจบไปหมดเลยการกลับบ้านครั้งนี้ถ้าภรรยาจะกลับไปบ้านก็เป็นกับการกลับบ้านที่อิ่ม อ, อกอิ่มใจนะพ่อมาพ่อแม่ลูกแล้วก็เข้าวัดกันทั้งหมดอะไรอย่างเี้นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเขียนจะจะมีเรื่องแบบเนี้ยนะให้เราได้เห็นเนี้ยอยู่แต่ลอดเวลาคือถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างอื่นนะมันไม่จบง่ายแบบนี้มันจะต้องเกิดอะไรที่มันติดตามอะไรเยอะแยะไปหมดเนี้ยนะ มีอีกครั้งหนึ่งก็มีคนก็พูดเชิงฟ้องกับหลวงพ่อบากว่าเนี่ยหลวงพ่อกองไม้เก่าอ่ะกองเนี้ยหลวงพ่อลุ้มไหมว่าใคร <c ười> ใครก็ถวายมาอะไรเงี้ยมันก็มีกองไม้เก่าอยู่ประมาณรถสิบล้อกันหนึ่งนั่นก็เอามากองเอาไปอย่างเนี้ยอย่างนั้ น, น, นคือใช่ไหมมันเราก็มองเห็นว่ากลองไม้กองเนี้ยมันใช้ไม่ได้มากกว่าใช้ได้ <c ười> อย่างเงี้ยนะแล้วก็แล้วก็เราก็รู้จักคนที่เอามาว่าว่าเป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ไม่รู้จักนะเขาเขาเขาก็เรียนหลวงพ่อแล้วว่าก็จะเอาไม้มาให้ะแต่พอสิ้นเสียงของของของญาติธรรมผู้หญิงที่ถามอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อก็บอกบอกว่าเออ ดีมากเลยนะเนี่ยไม้กลองเนี่ยนะ่าทำให้หลวงพ่อได้นึกว่าจะได้เอาไม้มาซ่อมหอไตรตอนนั้นหอไตรเป็นหอไตรที่สร้างน่าจะน่าจะสร้างใหม่ได้สักปีหนึ่งอย่างเนี้ยก็จะมีขนาดประมาณประมาณเท่าเราตรงเนี้ยก็ กองไม้กองนั้นก็ส่วนหนึ่งอ่ะก็ได้ทําให้เกิดการขยายหอไตที่สุกโตเป็นเป็นรอบที่สองแล้วก็อีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สในท้ายที่สุดนี่นก็ยังมีการต่อนะแต่ว่าหมายถึงไม้กองนั้นก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าพอมีไม้มาปุ๊บเนอะหลวงพ่อก็เออได้นึกขึ้นมาหอไตเหมือนกันเล็กไปมีไม้กองใหม่มาเราก็เอามาซ่อมเนาะแล้วหลวงพ่อก็ได้ได้คัดได้คัดไม้จากตรงนั้นมาซ่อมก็ ใช้ได้ใช้ได้เต็ถือว่าก็ใช้ได้พอสมควรแต่ว่าคือคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยมันก็จบเรื่องไปอีกเหมือนกันใช่ไหมอย่างเงี้ยแบบคือไม่ต้องถามว่าใครเป็นคนเอาให้มาแต่ว่ากล่องไม้ก่องเนี่ยมันทําให้หลวงพ่อได้นึกถึงสิ่งที่หลวงพ่อจะได้ทําที่เป็นกุศลก็คือขยายหอไตรให้มันมีพื้นที่ใช้เพิ่มเติมเนี้ยนี่คือสิ่งที่ มันไม่มีมันไม่มีการเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่งามออกไปจากปากหลวงพ่อเลยนะแล้วเรื่องนี้ก็ความเดือดเนื้อร้อนใจของของญาติธรรมผู้หญิงที่บอกว่ า, วาวเนี่ยหลวงพ่อรู้ไหมบางคนเนี้ยเขาเป็นใครเอาไม้มาอะไรต่างๆ น, ะ น, นานาก็จบไป <labor> <trans> divided, ไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ที่มันไม่ดีไม่งามคือหลวงพอ่อคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยมันทําให้จิตใจของพวกเราเนี่ยเหมือนกับมันถูกยกขึ้นมา มันถูกยกขึ้นมาจากจา ก, กองของความคิดที่เราไปกำลังไปจมไปติดอยู่ความคิดมันถูกยกขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อมองว่านี่มันก็จบเนาะมันก็จบไม่เกิดเรื่องเกิดราวอนะไรคำว่าแก่ก็เหมือนกันเนาะหลวงพ่อก็เราไม่เคยรู้สึกว่าคำเทศของหลวงพ่อแก่นะคำเทศของหลวงพ่อนี่แบบว่าแม้วันนี้เนี่ยหว่จะเหมือนกับว่า ลงลับดับขันไปแบบว่าสี่ปีแล้วเนอะใช่ไหมอย่างนี้แต่ว่านั่นก็คือเป็นเรื่องที่คำเทศของหลวงพ่อก็ยังเหมือนกับดูมีชีวิตชีภามากๆนะอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเขาเรียกว่าไม่ได้มีความรู้สึกกระวนกระวายไปกับไอ้ความที่ตัวเองมีสมรรถภาพที่น้อยลงหรืออะไรต่างๆเพราะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ หรือว่าเป็นความแก่ตรงนี้ถึงวันหนึ่งหลวงพ่อก็แบบว่าดัดไม้ดัดไม้แนละ้วทำไม้เท้าหลวงพ่อบอกว่าเออตอนนี้เนาะเราเดินนี่มันไม่มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนเราก็ต้องแบบว่าต้องาหาไม้เท้าช่วยแล้วนะอย่างเงี้ย แล้วหลวงพ่อก็บอกเป็นที่เล่นที่จริงนะหลวงพ่อก็บอกบอกว่าไม้เท้าที่เขาขายขายกันมันไม่เหมาะกับพระวัดป่านะหลวงพ่อก็จะไปตัดเถาไม้ที่มันที่มันไปขึ้นเรื้อยละพันอย่างอื่นเนี่ยขึ้นมาเพื่อทําเพื่อทำไม้เท้าอย่างเนี้ยก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ เราก็มองว่าคําว่าไม่แก่เนี่ยมันมันไม่มีมันไม่เหมือนกับเรานอะโอ้ผมงอกผมดําอะไรกันต่างๆนนะฟันหลอฟันร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เป็นเรื่องที่เราบิตกตุกร้อนกันหลวงพ่อเขียนไม่มีเรื่องความไม่เจ็บนี่ก็ที่เด่นมากๆกับหลวงพ่อคือสนุกป่วยนะใช่ไหมอย่างเงี้ยก็คือความเจ็บป่วยไม่ได้ทําให้หลวงพ่อทุกเลยนะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีก็เรียกว่าความเจ็บป่วยนี่ไม่มีแล้วก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงตั้งแต่หลวงพ่อป่วยตอนปีสีเจ็ดเนี่ยสี้สี่เก้าเนี่ยการอดโอยจากจากความเจ็บปวดของโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเลยนะต้องเรียกว่าไม่มีให้เห็นเลยหลวงพ่อเนี่ยให้โจทย์ยากที่สุดอยู่โจทย์หนึ่งก็คือหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องถามหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อต้องการอะไรสังเกตเอาเอง แล้วมาบอกให้สังเกตเอาเองเนี่ยซึ่งเหล่าเนี่โอ้โหแบบว่าเรียกว่าหมายถึงอันนี้นึกย้อนกลับมาจกนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายมันไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยอย่างที่ก็เล่าแล้ว เ, เล่าอีกนั่นก็คืออย่างช่วงสุดท้ายเนี่ยอยช่วงสุดท้ายของหลวงพ่ออย่างเงี้ยทำว่าหลวงพ่อหายใจไม่ได้อะตอนนั้นนะหลวงพ่อไม่รู้ตัวเหรออย่างเงี้ยแต่พวกเราอะ เหมือนกับลืมไปนะคำวันลืมของหลวงพ่อก็ไม่ได้มีอาการทุรนทุรายยังจําได้ว่าเช้า ว, วันนั้นเนี่ยพอตื่นมามาม า, มาดูหลวงพ่อก็ดูละว่าวันนั้นวันนั้นหลวงพ่อบีกลับออกมาจากทุระข้างนอกนะเข้าไปถึงบ้านนะทุกตีสองกว่ า, ก, วาก็ดูหลวงพ่อก็ตัวอะไรนะเขาเรียกตัวทิวบุเนี่ยมันก็ถูกดันขึ้นมา แล้วก็ออกซิเจนก็มันไม่ค่อยตรงเนาะก็จําได้ว่าปรับให้ท่านนิดนิดกไ็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ ไ, มได้ทำอะไรแรงเพราะเนื่องจากว่าท่านทาน่านยังหลับอยู่สบายสบายก็พอดีวันนั้นเป็นวันพระนะหลวงพ่อไปข้างนอกมาก็กลับมาปร o งผมเสร็จเรียบร้อยแต่งเนื้อแต่ตัวเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็กดกลิงกกล้งหลวงพ่อก็เข้าไปหาหลวงพ่อแลายก็ว่า ตามมาหลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่อก็ขอลุกใช่ไหมเราก็เราก็เราก็ทําท่าบอกว่ายังลุกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้อจัดการหลวงพ่อก็ปัดมือเรานิดนึงหลวงพ่อบอกขอลุกพระจ้โนตก็เข้ามายังลุกไม่ได้ยังลุกไม่ได้ดดาก็ยังลุกไม่ได้ไไดไไดคือพวกเราสี่คนพระสี่ลูกก็เข้าไปแล้วก็เห็นสถานการณ์ว่าสถานการณ์เนี้ยังลุกไม่ได้หลวงพ่อก็ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ดื้อต่อนะก็คือก็ปล่อยให้เราจัดการไอ้นูนนนน่นไอ้นี่ไปอีกครึ่งชั่วโมงอเงี้ยถามว่าครึ่งชั่วโมงนั้นนะถามว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยหลวงพ่อหายใจได้แค่ไหนอะไรเงี้ยนะคิดว่าหายใจได้น้อยมากนะแต่ว่านาทีนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่าหลวงพ่อเหมือนกับว่าทุหลนทุลายอะไร ให้เราได้ผิดสังเกตแล้วพระอาจารย์โน้นก็ฉีดยาสเตียรอยอะไรไปหลวงพ่อก็ให้ออกซิเจนไปอะไรต่างๆคนนน้นคนนี้ก็ทําอะไรสารบุญกันไปไม่ได้สนใจหลวงพ่อไปครึ่งชั่วโมงท้ายสุดหลวงพ่อก็ ป, ปัดปัดไม้ปัดมือเพื่ออะไรอีกทีหนึ่งบอกขอเข้าห้องน้ํา <laughs> ซึ่งหลวงพ่อก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําไม่ได้ใช้ไม่ทงไม่ทําอะไรก็เดินเป็นปกติถามว่านาทีนั้นนั่นหลวงพ่อไม่รู้ตัวหรือว่า อะไรเกิดขึ้นกับหลวงพ่ออีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าหลวงพ่ออาจจะไม่มีชีวิตต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยหลวงพ่อต้องรู้นะใช่ไหมอย่างเนี้ยสถานการณ์นั้นต้องรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พวกเราไม่รู้พอเข้าไปห้องน้ําเนี่ยพระอาจารย์โนตก็บอกว่าอันนี้บอกกันพูดกันทีหลังเนาะหลวงพ่อถ่ายแรงแล้วก็ฉี่แรงก็คือถ้าถ้าเราดูสภาพก็คือเหมือนกับถ้าเป็นคนป่วยทั่วไปเนะี่ยสภาวะอย่างนั้นก็อาจจะเรียกว่าไฟทัดแตกนะแล้วก็พวก ของเสียมก็ขับออกมาที่ไหมอย่างนี้แต่หลวงพ่อก็เหมือนกับขับถ่ายปกตินะ่ะก็คือ <c oughs> ก็ทำหน้าที่ของหลวงพ่อไปปกตินะแล้วก็ลุกขึ้นมาจากโถ ก, ก็มาล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับมาที่นอน <c oughs> ไม่มีไม่มีริ้ว่อยที่จะทำให้เราเห็นว่านี่หลวงพ่อหายใจไม่ออกหรืออะไรต่างๆไม่มีนะับไม่มีไม่มีเลย หลวงพ่อมานอนก็เป็นกิจวัตรปกติของหลวงพ่อนะพอถ้าหลวงพ่อนอนปุ๊บหลวงพ่อจะจัดสบงจัดอะไรให้เรียบร้อยให้มันดูไม่ไม่ดูเปิดไม่ดูเยอะนี่ยพระนพจัดจัดเสร็จหลวงพ่อก็เอามือลองหน้าสบายสบายอืมอย่างเนี้ยนี่คือหลวงพ่อเหมือนกับเสร็จภารกิจไม่ไม่เหมือนกับสบายสบายแล้วนะหลวงพ่อก็นอน นอนจะเรียกว่านอนรอเวลาเหรอก็ไม่อยากใช้คำว่านอนรอเวลาแต่หลวงพ่อก็คงรู้ว่ามันใกล้หมดเวลาแล้วล่ะ <c ười> คิดว่าหลวงพอรู้นะแต่พวกเราอ่ะไม่รู้ <c ười> เพราะหลวงพ่อไม่มีท่าทีอะไรที่จะทำให้เรารู้ว่านี่อีกสามนาทีห้านาทีข้างหน้านี้หลวงพ่อจะไม่อยู่กับเราแล้วนะอะไรอย่งี้ไม่รู้นะฮะอย่างเง้ หลวพ่อก็พอหลวงพ่อนอนเสร็จเรียบร้อยภาระหน้าที่ของหลวงพ่อก็คือเอาออกซิเจนเพื่อให้หลวงพ่อหายใจดางคอได้น่าหลวงพ่อเขียนก็ใกล้กันนิดเดียวหลวพ่อก็จําได้ว่ามองมองตาหลวงพ่อมองตาหลวงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่าตาหลวงพ่อนะแบบใสสวยๆอย่างป๊บหนึ่งหลวงพ่อก็ทามือทามืออย่างเงี้ยก็หมายถึงว่านี่คือกอกระดาษขอปากกา ถามว่าหลวงพ่อลูไหมไหมอีกห้านาทีข้างหน้าเนี่ยรู้แต่เราไม่รู้พเพราะมันไม่มีอะไรให้รู้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็เห็นนะมาพอปากกาปากปากกาดินสอถึงมืออะไรต่างๆนะหลวงพ่อปั้นตัวหนังสือนึกอยู่ในใจหลวงพ่อเขียนยากแต่นึกนึกเพียงแค่ว่าพอหลวงพ่อนอนอย่างเงี้ย นอนอย่างน like ี <nei> ้ใ oh ช่ไหมมันจะเขียนได้ง่ายยังไงอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้รู้ว่านั่นคือการใช้ร่างกายของหลวงพ่อมันน้อยลงมากแล้วล่ะเพราะว่ามันมันร่างกายมันจะใช้ไม่ได้อีกแล้วว่าใช่ไหมมันมันไม่มีอันนั้นมันก็ใช้ได้ได้ได้น้อยมากๆหลวง่อก็ปั้นอยู่พักหนึ่งหลวงพก็ยื่นกระดาษให้พระจันทรนธิ์พระจันทอยู่ยืนอยู่เหนือหลวงพ่อหนึ่งพระจันทรก็รับหลวงพ่อนั่งอยู่นั่งอยู่อ่า หลวงพ่อก็ยืน่นหลวงพ่อเห็นแล้วก็ยื่นประ ก, กาศให้หลวงพ่อก็รับพอประ ก, กาศกระดาษหลุดจากมือท่านก็พนมมือบายพวกเราอย่างเงี้ยเสร็จภารกิจของท่านเสร็จพอมอบอกลาพระอาจารย์นอ่งถึงงว่าอ่านไม่ออกเอาวางไว้ก่อนฉะนัยนก็เอากระดาษอันนั้นวางไว้แล้วเราก็จะมาอ่านอีกทีก็คือเมื่อหลวงพ่อไม่มีลมหายใจแล้วอย่างเนี้ยอย่างนั้นว่าอ่านอีกทีนั่นนั่นคือตรงนั้นก็พอหลวงพ่อ ขนมมือบหา้พวกเราเสร็จเนี่ยหลวงพ่อก็เสร็จภรารกิจจริงๆนะีนก็คือเหมือนเนี่ยคลายว่าบอกลาทุกคนนะแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือการบอกลาของหลวงพ่อไงใช่ไหมอย่างนั้นพระพ่อตอนหลังๆเนี่ยหลวงพ่อก็เหมืนกับเวลาที่เราดูแลท่านท่านก็จะขอบคุณนะท่านก็จะขอบคุณผ่านผ่านกันไหวอย่างเงี้ยก็ทุกทีทุกทีนั่นคือพอหลวงพ่อบางประการเสร็จแล้วก็อยู่ในท่าเดิมก็คือ น, อนอนเอียงสบายสบาย หลวงพ่อก็ได้ให้ออกซิเจนหลวงพ่อเป็นเป็นต่อไปเป็นเป็นปกติอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมกับมองตาหลวงพ่อว่าตาหลวงพ่อนั้นใะสสวยก็ยังนึกอยู่ในใจอย่างเงี้นนะแต่ว่าแป๊บเดียวท่นั่นเองตาหลวงพ่อก็แข็งนิดนึงแล้วก็ปิดปิดลงอย่างเงี้ยก็นี่คือนี่คือคำว่ามาละสุดท้ายจะไม่หายใจแล้วจะอะไรต่อตา น, นั้นๆแล้วนี้ไม่ปรากฏกนะับ กับอาการกิริยาของเรามันกําเกณฑไม่มีก็เหมือนกับว่าก็ร่างกายมันจะใช้การไม่ได้ก็ดูมันก <ś c> ็ <oughs> ดูมันไปว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นกังวลกับการหายใจไม่ได้เป็นกังวลกับอะไรต่างๆนานาไม่มีไม่มีริ้วรอยของความกังวลใดๆความเจ็บป่วยความเจ็บปวดเนื่องจากความเจ็บป่วยไม่มีไม่มีให้เห็นอย่างนี้นะหรือว่า ความกลัวที่จะมีความตายอยู่เบื้องหน้าก็ไม่มีนั่นคือตรงนี้คำว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยหลวงพ่อว่มามองเห็นจากหลวงพ่อเขียนเนี่ยมันก็ชัดเจนเนะชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆพอเวลาเรามาดูมาดูถึงที่หลังอะไรต่างๆนานๆพระอาจารย์โน้อ่าน เงี้ยนะอ๋นี่พวกเราขอให้หลวงพ่อตายหลวงพ่อก็ทําหน้าที่ของหลวงพ่อแบบหมดจดงดงามมากนะใช่ไหมอย่างเงี้ยนี่คื อ, น, คอนี่คือเรื่องที่พวกเราอะไรเงยหัดกันหัดกันทํากันตอนนี้ก็คือทำความรู้สึกตัวหัดมีสติเงี้ยหลวงพอ่อว่านี่คือเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ใช้ไปได้จนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ร่างกายเรามันไม่สามารถใช้งานได้แบบนั้นอะไรเงี้ยนี่นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อก็ มีความรู้สึกว่าคําว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเนาะอย่างนี้เนาะอยนั้นมันก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็ชัดเจนเราเรียกว่าชัดเจนกับการที่เราได้เห็นหลวงพ่อพิมเกตไม่ได้ว่าชัดเจนจากการปฏิบัติของตัวเองนะการปฏิบัติของตัวเองก็ต้องก็ต้องทาต่อไปแต่ว่านั่นคือเรามีความรู้สึกว่าไม่สงสัยนะไม่สงสัยว่าความรู้สึกตัวเนี่ยจะช่วยจะช่วยอะไรเราได้ยังไงคือศรัทธาในศรัทธาในการปฏิบัติเนี่ย มันเป็นสิ่งที่หลวงพ่อกำเขียนท่านก็บอกว่ามันสําคัญมากนะเพราะว่าคือถ้าเราศรัทธากับหลวงพ่อศรัทธากับบุคคลเนี่ยศรัทธามันอาจจะวันไหวคอนแคลนได้นะแต่ถ้าเราศรัทธาจากการปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นศรัทธาที่มั่นคงขึ้นซึ่งอันเนี้ยหลวงพ่อมามันก็เป็นเรื่องที่พวกเราเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยก็ให้พวกเราได้ได้สังเกตนะสิ่งที่เรา สังเกตก็คือความทุกข์นะความทุกข์ที่มีเนี่ยมันมันน้อยลงไปบ้างไหมอย่างเงี้ยนะถ้าความทุกข์ที่มีน้อยลงไปเนี่ยหลวงพ่อว่าตรงเนี้ยถูกทางนะถูกทางแต่ว่าถ้าหลวงพ่อมองนะมองว่าหลวงพ่อเขียนท่านสอนสอนพวกเราเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่าบ่าท่านก็สอนเรื่องนี้เป็นหลักเนาะสอนเรื่องนี้เป็นหลัก ท่านจะเหมือนกับว่าเวลาที่มีคู่แต่งงานมาเนาะมาอืมมาขอพอรจากท่านอย่างเงี้ยชาวบ้านมีนะเจ้บ้านว่ามามขอบพอรจากท่านไม่ได้นิมนต์ท่านไปที่ไปทําบุญบ้านนะแต่ว่ามาขอพอรจากท่านท่านก็ท่านก็บอกนะบอกว่าอา้าวแบบว่าอย่าทะเลาะกันนะอย่างเงี้ยอย่าทะเลาะกันนะหลวงพอว่อมาคํานี้เนี่ยของหลวงพ่อเนี่ย มีความหมายแล้วมีความหมายกับกับคู่แต่งงานเพราะว่าคู่แต่งงานส่วนใหญ่ก็คือการมีปากมีเสียงกันเราก็เหมือนกันนะเหมือนกับว่าคนที่เราสนิทนะเราจะกล้าเถียงกล้าตอบปากตอบคาคนห่งหางๆนี้ไม่ค่อยไม่ไ ม, ไม่ไม่ตอบปากตอบคานะเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่านั่นก็คือตรงนี้เาว่ า, วาพอเวลาที่เหมือนกับมันมีคาคา คำบอกคำเตือนอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้เรามีสติแล้วก็ยั้งเนาะหลวงพ่อว่าอย่างเนี้ยพอมีสติแล้วก็ยั้งเนี่ยหลวงพ่อว่าตรงเนี้ยไอ้คำพูดหรือแรงรต่างๆหล่านี้มันก็จะถูกเรียกว่ามันก็จะถูกเก็บเอาไว้คำพูดแรงๆหรืออะไรต่างๆแล่านี้มันก็นั้นซึ่งหลวงพ่อว่านี่เป็นคำพูดที่ที่ดีที่สุดนะเป็นคำพูดที่ดีที่สุดมันก็หลวงพ่อไม่พูดอะไรมากแล้วหลวงพ่อว่าคู่แต่งงานที่หลวงพ่อมเขียนท่าน ท่านท่านได้บอกอย่างนี้ไปเนี่ยหลวงพ่อว่าถามว่าเวลาที่ถามว่าหลวงพ่อเขียนสอนอะไรบ้างเขาก็คงจําได้นะว่าอย่างนี้แหละบอกให้อย่าทะเลาะกัน <laughs> นี่นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเขียนท่านพูดนะท่านพูดไม่มาแล้วก็ท่านพูดก็ชัดเจนเนะชัดเจนอย่างเวลาที่มีคนมาเวลาที่มีคนมาบอกให้เจิมรถนะ <laughs> หลงพ่เขียนท่านก็บอกว่าโอ้อย่าใช้หลงพ่อไปเจิมรถเลยนะอย่างเงี้ยนะเวลาที่ขับรถก็ให้นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่นะมันนี่มีคนเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลวงพ่อ <c oughs> ก็หลวก็จะบอกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลวงพ่อว่า ม, มันก็ดีนะบางทีเหมือนกับคล้ายๆอันนี้นึกถึงนะบางทีก็มีการห้อยพระหน้ารถหน้าหน้ากระจกรถบ้างอะไรบ้างเนี้ย แตว่ามาตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับคล้ายๆก็ดีเลยบอกหลวงพ่อก็ไเขียนท่านบอกว่าห้อยรูปพอ่อรูปแม่ไว้หน้ารถนะ <laughs> เวลาขับรถจะได้ไม่ลืม <laughs> ก็ก็มีมีมีตลอดนะเวลาเวลาที่มีคู่แต่งงานเวลาที่มีรถท่านจะพูดเท่านี้กับกับทุกคู่แต่งงานแล้วก็กับทุกทุกคนที่มาขอให้ท่านเจิมรถ <laughs> ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นอะไรยเงี้ยนั้นคือตรงเนี้ยหลวงพ่อว่ า, านี่คือหมายเนาะหมายของการที่ชวนให้เราเนี่ยได้กลับมามีสติอีกครั้งหนึง่งกกลับมามีสติอีกครั้งก็คือการที่เราหัดรู้สึกตัวกันหัดรู้สึกตัวกันก็คือการหัดกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งมีสติอีกครั้งห น, นึ่งตรงเนี้ยเนาะอย่างนั้นพวกเราก็ปฏิบัติกันเนาะปฏิบัติกันได้ทุกคนแล้วเนาะมีใครต้องการ คำแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมมีไหมมีไหมเอยไม่มีหนะไม่มีก็อะไรนะ ก, รก็เรียกว่าเราปฏิบัติกันปฏิบัติกันที่นี่เนาะก็จะเน้นเนาะเรื่องให้เรารู้สึกผ่อนคลายเนาะให้เรารู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายกับท่านั่ง ผ่อนคลายกับการหายใจผ่อนคลายกับการเคลื่อนการไหวอย่างนี้เนาะอย่างนั้ น, ะ น, นให้เราได้เหมือนกับว่าลองเนาะลองสังเกตลองสังเกตอากับเกลยียรู้สึกกับการนั่งเนาะนั่งผ่อนคลายดีไหมการที่เราเคลื่อนไหวเนาะความเคลื่อนไหวของเราผ่อนคลายดีไหมการที่เราจะรู้ว่าผ่อนคลายดีไหมก็คือเราได้ใช้ความรู้สึกตัวเนาะรู้สึกตัวเนะอย่างนี้ หรือว่าการที่เรารู้สึกกับลมหายใจนี่ก็คือกลับมารู้ที่กายอย่างนี้เนาะอะไรที่กลับมาก็คือจิตใจแล้วจิตใจกลับมาผลของการที่จิตใจกลับมาคืออะไรก็คือการที่ไม่ไปเกาะไปเกี่ยวอยู่ของความคิดอะไรอย่างนี้เนาะนี่คือเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวก็คือเขาเรียกว่าวิธีการปฏิบัติเนาะ ที่ผาดใจเนะี่ยมาตามดูตามรู้ความเป็นไปของร่างกายถ้าเราตามดูตามรู้ไปต่อเนื่องก็เรียกว่าเราก็มีสมาธิถ้าเกิดว่าเราดูอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะรู้เรื่องของกายเรามากขึ้นรู้เรื่องของใจเรามากขึ้นอย่างเงี้ยนั่ น, นันคือตรงนี้นะว่าเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราต้องรู้สึกตัวว่านี่คือความรู้สึกตัวมันก็ ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเนาะอันนั้นคือตรงนี้เนาะเรามาร่วมกันเนาะปฏิบัติเนาะอ้ะ <c oughs> อาวตำรวก็งดออกเสียงนะ <c oughs>